ก็ไปรัฐามกาันกลุ่มก็มีโอกาสธรรมัดเย็นวันนี้เป็นวันท้ายสุดแล้วตอนเย็นพวกนี้ก็ตอนเช้ามีโอกาสธรรมัดอีกครั้งหนึ่งตอนเพล น, นก็กลับกันแล้ว mm. ก็กล่าวว่าเลิกกลุ่มพวกนี้ก็จะไปวัดภูเขาทองไปอยู่กับหลวงพ่อสักสองสมวัน เหมือนกันสนับสนนกันมีงานมีการวัดพี่วัดน้อง<ม>ก็ไปแสดงออกมือตาจิตหน่อยไปวัดเงียบๆทีเนี้าจะคนน้อยพวกนี้กลุ่มก็กลับภาพบางส่วนก็จะไปรวมกันที่นวนสมทบ<ม>ก็อยู่กันก็ทำบัดสนมเหมือนเดิม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 เนื้อความพอใจไม่พอใจชอบไม่ชอบเนื้อเหตุนื้อผลเนื้อตูกเนื้อผิดฟังลักษณะของสตปุหลุดกันไปอย่างนั้นนะฟังให้มากครับวเพื่อที่จะน้อมเอามาทำและสิ่งที่ทำกนในได้เทียบเคียงเหตุอย่างนี้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 อ๋อนี่ได้ยินนำผ่านอย่างนี้จะได้ไปทําดูแยกซ้ายแยากขวาข้างหน้ามีโคง้งมีเนินมีภูเขามีหุบมีเหวจะได้เรามาระวังหรือว่ากลับมาสู่เส้นทางหลังจากที่มันหลงเพลอไปออกนอกเส้นทางมันจะสะดวกเวลานี้ทํามานานแล้ว1นึ่ปีสปีสาปี ทำมาก็เดินทางมาได้ไกลแล้วก็เห็นเห็นร่องเห็นรอยเหมือนเหมือนกันแหละก็เลยเดี๋ยวพระรัตนนิมมตจันสมใจพูทธรรมะสู่ฟังสงเกลแก่ตามแก่เวลาต่อไปกลับนิมนต์กลับก็กราบบูชาพระรัตนตรยัย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 เมื่อประมาณปี 2,519 นตอนนั้นบางคนอาจจะยังไม่เกิดความอยากรู้อยากเห็นว่าเอ๊พุทธศาสนามีอะไรความสุขเป็นอย่างไรก็ได้เรียนรู้การฝึกจิตแบบอนาปนาสติกับรุ่นพี่คนหนึ่งก็คือพี่สุภวัลกรีนปัจจุบันคือสุภวันกรีน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 ก็ได้ไปเรียนรู้การทือศีลเคร่งนะของสันตยโสกก็ยังยังมีความสงสัยอยู่ก็ยังมีความทุกข์อยู่นะตอนหลังก็ได้ได้ไปส่วนโมกนะไปเรียนรู้กัจจาพุท ธ, ธาตนะ์ได้อ่านหนังสือกอจจาพุท ธ, ธาตนะ์ก็ชื่นชมยินดีในสติปัญญาของท่านอย่างมากนะโดยเฉพาะเรื่องของธรรมะเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่อง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 <c oughs> แต่โชคดีที่เรามีเพื่อนนะก็เป็นชมรมพุทธศาสตร์ของหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชวนกันไปที่นั่นที่นี่ประมาณปี 2,520 นะ่ี่ได้มีโอกาสไปที่วัดสนามในยี่สิบหรือยี่สิบเ1็ดเนี่ยได้ไปพบกับหลวงพระเทียนนะก็ไปเรียนรู้กับท่านตอนแรกๆ ก, ก็ฟังท่านไม่เคยรู้เรื่องเพราะว่าท่านพูดภาษาอีสานะตอนนั้นรู้สึกจะเป็นอาจารย์โวิดเป็นคนแนะนา เราเป็นนักศึกษาเราก็จะไปนะก็ได้มีโอกาสไปเรียนรู้ออไปเห็นวิธีการยกมา ย, ยกมือก็ยังไม่เข้าใจว่าทำทำไปเพื่ออะไรทำไปทำไมแต่หลวงพ่อเทียนก็บอกว่าเราทำเพื่อให้มีความรู้สึกตัวนะให้ให้เรารู้สึกกับการเคลื่อนไหวเพราะว่าถ้าเรานั่งหลับตาเนี่ยมันสงบในขณะที่เรานั่งความรู้สึกตัวเนี่ย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 แล้วก็เรียนรู้กับท่านมาเรื่อยๆช่วงที่ได้รู้จักวิธีการนี้จริงๆแล้วก็ปฏิบัติจริงๆก็ประมาณปี2 5งตอนนั้นทราบข่าวจากเพื่อนนะซึ่งเป็นเภสัชกรคนหนึ่งตอนนี้ก็อยู่ที่พิจิตรเออขาบอกว่าตอนนี้หลวงพ่อเทียนป่วยมากนะออท่านจะอยู่ไม่นานเพราะฉะนั้นถ้าจะเรียนรู้อะไรให้รีบมาเรียนรู้ซะ นะปี2525ก็เลยตัดสินใจตอนนั้นไปทำงานอยู่ที่เชียงใหม่แล้วไปเป็นอาจารย์อยู่วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษานะสอนทางด้านบริหารธุรกิจก็ตัดสินใจลาบวชนะึ 1, ่พษา120วันก็บวชที่บ้านที่ลบบุรีแล้วก็มาอยู่จำบันษากหลวงพระเทียนที่วัดโมกที่จังหวัดขอนแก่น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 ผลจากการที่เราทําอย่างต่อเนื่องอย่างนี้เนี่ยประมาณประมาณ45วันประมาณกลางกกลางกพรรษาเนี่ยก็ได้ได้สัมผัสกับความรู้สึกตัวช ắt, ัดๆนะหลังจากที่วันนึงเราไปเดินบิณาบาทตอนเช้าแล้วก็ความรู้สึกตัวในการก้าวเท้ากับความคิดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันทันกัน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 เราเป็นผู้บรรลุแล้วเราเข้าใจหมดแล้วเรารู้หมดแล้วเรามีความพึกเขิล ม, มากในการที่จะพูดในการที่จะสอนนะช่วงนั้นในช่วงข้าพันศาหลวงพ่อเทียนก็เห็นหน้าการของเราแล้วก็ให้เราเทศให้เราพูดนะเราก็พูดใหญ่เลยตอนนั้นแต่รู้ไม่ว่าตอนนั้นนะั่นแหละเราหลงลืมสติไปเราไปอยู่ในความรู้นะที่เรียกวิวปัสสนนะูตรงนี้ มารู้สึกตัวเมื่อไหร่เมื่อมีคนพูดขัดใจขึ้นมาเนี่ยนะแโอ้แสดงว่าเรายังไม่รู้จริงเรารู้เพียงแค่จดจาได้ส่วนหนึ่งแต่ความรู้สึกตัวรู้สติมันตื่นขึ้นตรงนี้ก็เลยทำให้เรามายังคิดแล้วก็มีครูบาอาจารย์ก็เตือนบอกว่าอันนี้ยังไม่ถึงที่สุดนะอันนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นก็ขอให้เรากลับมารู้สึกตัวอย่าไปหลงอยู่ในความคิดอย่าไปหลงอยู่ในความรู้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 อาหลวงพ่อหลวงพ่อเทียนที่วัดสนามในที่นนทบุรีบางทีก็ไปวัดโมกแก็ไปบางทีก็ไปคนเดียวบางทีก็ชวนเพื่อนนะตอนนั้นก็เริ่มที่จะทําชมรมพุทธศาสตร์ที่ที่เทคโนโนะก็เอานักศึกษามาด้วยบางทีก็ชวนกันมาก็พยายามที่จะไม่ทิ้งกิจกรรมเหล่านี้นะก็ก็ทำให้เราเนี่ยได้ได้ฝึกฝนต่อไปนะสติเนี่ยถ้าเรา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 นะอันนี้ก็เล ย, เลยมาบวชนะในช่วงสามสีเดือนนี้ก็ได้เมื่อเรามาใช้ชีวิตนักบวชเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเราได้ใช้เวลากับเรื่องพวกนี้อย่า ง, างเต็มที่แล้วก็ได้สัมผัสกับความคิดหรืออารมณ์ที่มันละเอียดละเอียดนะโดยเฉพาะการยกย่องตัวเองการ อ, อ, อวดตัวเองเนี่ยมีค่อนข้างเยอะ น, ะอ น, นีอันนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่เคยได้เห็นนะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยก็เลยเป็นช่วงที่ได้มีโอกาสเรียนรู้เต็มที่อันนี้ก็เป็ น, ป, นประสบาการณ์ที่ได้เรียนรู้มานะก็ยอมรับอยู่ว่ายังไม่ถึงที่สุดนะแต่กเ็เห็นเป้าหมายแล้วนะที่สุดมันก็คือความเป็นปกติของใจจริงๆความเป็นปกติของใจเนี่ยมีอยู่แล้วในทุกคน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 แล้วก็ทำอย่างเดียวแต่เกิดผลหลายอย่างแต่ก่อนเนี้ยไปเรียนรู้ <c oughs> เรียนรู้ธรรมะโดยการอ่านหนังสือเนียจะต้องมีศีลมีสมาธิมีปัญญานะมีสติมีวิริยะมีอะไรโอ้โหเยอะแยะเลยนะโพธิ ป, ปักจธรรม37บดนะซึ่งอ่านแล้วหูมันเยอะแยะมากนะบางทีเราก็ทอนะกับหนังสือกับตัวหนังสือ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 ได้ฝึกฝนทำอย่างเดียวแต่จะเกิดผลหลายอย่างมาลองพิสูจน์ดูนะนี้เป็นสิ่งที่อยากจะท้ายพวกเรามาพิสูจน์นะครับก็คิดว่าสิ่งที่ได้พูดไปน่าจะเป็นประโยชน์บ้างนะถ้าขัดตกบกพร่องอย่างไรก็ขอให้คูบาอาจารย์ได้ชี้แนะนะในสิ่งที่กระผมเนืยอตมาได้พูดไป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 ความเป็นปกติของจิตนะซึ่งมีอยู่แล้วในทุกๆคนโดยทั่วกันเทินอาจารย์สมใจเป็นอาจารย์อาตมยเองอะอาจารย์สนใจนะเพราะว่าเป็นคนที่มันรวมพ่อเขียนไปแล้วก็อาตมาได้รู้วิธีการรวมพ่อเขียนจากอาจารย์สมใจในวันไปครั้งนั่นแหละเคยทำชมรมร่วมกันสมัยเป็นนักษาอยู่แล้วก็ ถึงวันนี้แหละก็ได้กลับมาเกือบ30มสิบปีที่เรารู้เรียนรู้เรื่องนี้กันก็ลุยพอสมควรไปเรียนรู้วิธีการนั่นวิธีการนี้วิธีการนั้ น, น, นไม่เคยไปทะเลาะอะไรแปลกแยกไม่มีม่ต้อ๋อก็สอนอย่างนี้เหรออ๋อที่นี่ก็สอนอย่างนี้แล้วเข้าใจเข้าใจก็เป็นนั่นหนึ่งเดียวกันแต่วิธีการนี้เนี่ย มันเป็นวิธีการที่เรามันเป็นไปได้จริงๆว่ามันสัมผัสครั้งแรกที่มันไปวันแรกน่ยมามานั่งกระดิกนิ้วอะนะฟังหลวงพ่อทันเทศเฮ้ยมันแปลกจิตมันกลับมาเลยเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่พูดมาน่ยไม่ใช่ว่ามาอวดดีแต่ว่าหลวงพู่เทียนเชื่อว่ามีดีมาอวดมีดีมาบอกคือพูดจะมันตรงตรงไปเลยเป็นอย่างนี้แหละแล้วก็รับไปชอบคําพูดเห็นไหมแต่มันอ้อมแอมไม่ได้ ต้องตรงไปตรงมาทีนี้ผู้ฟังก็การกรองเอาว่านะไม่จะยุคหลวงปู่เทียนไม่จะยุคของพระเจ้ามันก็มีวิธีการต่างๆที่คุนน้ำมันใช้ประโยชน์มากก็คุนนะต้นน้ำใสๆเล ย, น, ยน้อยก็ใช้ประโยชน์ได้น้อยคนสะอาดอยู่ทีนี้พวกเราโชคดีที่ว่าเดี๋ยวนี้สังคม ร้านค้าต่างๆห้างสินค้าต่างๆก็ดึงเอาการเทศการทำเนี่ยไปอยู่ในห้างสินค้าแล้วอย่างเช่นว่าปีนี้เป็นปี 2,600 นหกร้อผู้ศาสตรหนาที่มันเวียนมาครบมันจบกันนะพอดีห้างสินค้าเดมอนอย่างเงี้ยอย่างเช่นโค ร, ราชเนี่ยก็มีการเอาพระไปนั่งเทศอยู่ในห้างนะมีห้องประชุมใหญ่นะแล้วเสร็จแล้วพอเราฟังเทศเสร็จแล้วก็ไปเดินจงกรมซื้อของนะ ด, ดีเดินรู้สึกเตลรู้สึกเตลกเข้าใจเล่นนะเฟิร์นเวลาการเนี่ยแล้วเราไม่ง่วงแดีล่ะเดินจงกรมในห้างนะยมนะน่าสนใจดีไม่ต้องกลัวไม่ขาดด้วยแคลนยุคสมัยมันจะนำกขนดาดไหนก็มีแฝงอยู่ใ น, ในทุกทกที่เพราะฉะนั้นจดหมายปลายทางชีวิตเราก็เดียวกันไม่จะเป็นใคร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 พราศาสนธรรมตอนนี้มันอยู่ที่ห้างสินค้าลองสังเกตดีๆชาวอาทิตย์เนี่ยทุกคนก็ไปรวมตัวกันที่ห้างสสินค้านะก็พาลูกไปมีความสุขยิ้มเข้าไปเลยจับใจใช้สอยปู่ญ่าตาทวต่างๆตระ ก, กูลใหญ่เลยเข้าห้างคริสต์ก็เข้ากันนะวันที่กําหนดนะอิสลามก็เข้าห้องละบาดกันนะชาวพุทธกันก็ไปรวมกันที่ห้างดมอนอย่างเงี้ยนะนะรวมตัวจอรดรถมีที่จอรดรถนะ ฟังเทศฟังธรรมเดินยังกรมจับใจใช้สอยกับบ้านยิ้มแป้เลยแต่ว <c oughs> ันนั้นก็ไม่ขาดไม่แกล้กเราทิ่สคัญที่สุดก็คือไม่ต้องเข้าวัดเข้าวิคนะเข้าห้างสินค้าตอนนี้ก็รู้สึกตัวได้แล้วการเคิ่อนการไหวแต่แลนะขณนะเนอะไม่ต้องรอนะเรียกว่าช่วยโอกาสทุกๆขณะเลยนะนะก็ดนะีได้ยินได้ฟังใจสนใจก็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 เรียกว่าเข้าสู่สภาวะสูงสุดขออุจัารณาหรือว่าที่หลวงพุทธเทียนได้กล่าวอ้างไว้ว่าเกินไหวทั้งหมดทั้งสิ้นนะรู้สึกตัวรู้สึกตัวเนะี่ยต่อเนื่องนะทั้งใน ร, รูปแบบนอกรูปแบบท้ายสุดก็คือมันหยุดการแสวงหาตั้งวิธีปฏิบัติครูบาจารย์ต่อไปตัวน้าเรียกว่าความสงบอย่างแท้จริงนะอะไรอย่างนีนะ้สมควรกันอะไรเรากลับพร้อมกัน